สิกขาบทที่หถามทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อเดินขนองมือบ้างขนองเท้าบ้างไปในละแวกบ้านตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉับพัก ค, คีเดินขนองมือบ้างเดินขนองเท้าบ้างไปในละแวกบ้านในสิกขาบทที่หนั้นมีหนึ่งพระบัญญัต